สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธยาพิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในบทเรียนจากสุภาษิตบทที่18บข้อที่20จนถึงข้อที่2 4ครับโปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าท้องจะอิ่มก็จากผลแห่งปากของเขาเขาหนำใจเพราะผลอันเกิดจากครึ่มฝีปากของตนความตายความเป็นอยู่ที่อํานาจของลิ้น และบรรดาผู้ที่รักมันก็จะกินผลของมันบุคคลที่พบพัญญาก็พบของดีและได้รับความโปรดปรานจากพระเจ้าคนยากจนใช้คำวิงวอนแต่คนมั่งคั่งตอบเสียงห้วนห้วนมีเพื่อนที่แซงทําเป็นเพื่อนแต่มีมิตรบางคนที่ใกล้ชิดยิ่งกว่าพี่น้องพระเนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้นะครับ ก็แบ่งได้เป็น4 4ความคิดส c o คอนเซปต์ด้วยกันครับคอนเซปต์ concept แรกก็จะอยู่ที่ข้อ20 2 1ก็จะพูดถึงเรื่องของคำพูดอีกเหมือนเดิมพี่น้องครับเรื่องการพูดนี้เป็นเรื่องสำคัญที่พบในพระคัมภีร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งสุภาษิตครับสุภาษิตนั้นได้ย้ำเน้นเรื่องการพูด การพูดและคำพูดนั้นเมื่อออกไปแล้วนะครับก็จะเกิดผลและส่งผลต่อผู้พูดผู้พูดนั้นต้องเก็บเกี่ยวผลลัพธ์ของคำพูดของตัวเองถ้าเราพูดในสิ่งที่ดีก็จะนำผลดีมาสู่ตนเองแต่ถ้าเราพูดในสิ่งที่ไม่ดีก็อาจเกิดผลร้ายนำเราสู่ความตายก็ได้เราจะเห็นว่า อาชญากรรมในสังคมเราทุกวันนี้ก็อาจจะตายได้มีการฆ่ากันมีการยิงกันก็เพราะคำพูดนี่แหละครับเพราะฉะนั้นในสังคมของเราอาจจะมีความเข้าใจผิดก็เกิดจากการพูดอาจจะมีการทำร้ายกันทางคำพูดก็เกิดจากคำพูดอาจจะมีความขมขืนมีอะไร ที่เกิดขึ้นในใจของมนุษย์ก็เกิดจากคําพูดเพราะฉะนั้นเราจะต้องระมัดระวังคําพูดของเราให้ดีบัมพีเตือนหลายครั้งครับถ้าเราพูดถึงคนในแง่ไม่ดีเราก็จะได้รับสิ่งที่ไม่ดีกลับคืนมาก็เหมือนกับคําพูดที่ว่าให้อะไรกับคนคนอื่นนะครับเขาก็จะได้รับอย่างนั้นให้ทุก แก่ท่านทุกนั้นถึงตัวให้ความสุขให้พรแก่คนอื่นพรก็กลับมาถึงเราเองอะไรก็ตามที่เราให้กับคนอื่นเราจะได้ผลตอบแทนแน่นอนครับและจงจําไว้ว่าเราต้องดําเนินชีวิตหรืออยู่กับผลลัพธ์จากสิ่งที่เราพูดดังนั้นเองสมมุติว่าถ้าเราอธิษฐานเผื่อคนอื่นอธิษฐานเผื่อศัตรูของเราอธิษฐานเผื่อบุคคลที่เรารักห่วงใย เขาอาจจะไม่รักเราเขาอาจจะคิดร้ายกับเรา <c oughs> แต่พระคัมภีร์สอนว่าให้เราอธิษฐานเผื่อให้เรารักศัตรูมีวันหนึ่งครับพระเจ้าจะแปลเปลี่ยนคําอธิษฐานของเราให้กลับมาเป็นความรักมีวันหนึ่งครับความรักก็จะเกิดขึ้นบางครั้งเราอาจจะอธิษฐานโดยไม่ได้รักเขาแต่เมื่อเราอธิษฐานไปเรื่อยๆ พระเจ้าก็จะประทานความรักเกิดขึ้นพระเจ้าก็จะประทานจิตใจแห่งการให้อภัยเกิดขึ้นและเมื่อเราอธิษฐานเผื่อเขาไปเรื่อยๆ mm. พี่นงครับมีวันหนึ่ง mm. เราจะได้รับความรักจากเขากลับมาด้วยและนี่คือสิ่งที่เป็นเรื่องอัศจรรย์ครับพระเจ้าจะเปลี่ยนและก็แปลงสิ่งต่างๆที่เราเชื่อฟังโปรงแม้ว่าทีแรกจะดูเหมือนร้ายครับ แต่ก็จะกลับกลายเป็นผลดีในที่สุดคอนเซปต์ต่อไปนะครับก็คือเรื่องของการแต่งงานเดี๋ยวนี้มีคนไม่ยอมแต่งงานหรือไม่ตั้งใจที่จะแต่งงานไม่ใช่แต่งไม่ได้นะครับแต่ตั้งใจจะไม่แต่งผมอยากจะบอกว่าการมีครอบครัวนั้นเป็นนามาไทของพระเจ้าครับการแต่งงานเป็นสิ่งที่น่าปรารถนา นะครับการแต่งงานเป็นสิ่งที่น่าปรารถนาเพราะว่าผู้ชายที่ได้แต่งงานเขาจะได้ภรรยาที่เป็นผู้ช่วยและเป็นคู่อุปถัมภ์ที่พระเจ้าประทานให้แต่มีข้อแม้ครับต้องเป็นภรรยาที่พระเจ้าประทานให้เป็นภรรยาที่อยู่ในน้ำัรไทยของพระเจ้าพระเจ้าทรงพอพระทัยในการมีครอบครัว เพราะพระองค์กล่าวว่าใครที่พบภรรยาก็พบของดีแต่ไม่ใช่ว่าภรรยาทุกคนเป็นคนดีครับก็เฉพาะภรรยาที่อยู่ในน้ำทัยพระเจ้าเท่านั้นนะครับจะเป็นคนดีพร้อมอย่างแน่นอนจะเป็นคนดีที่เหมาะสมแม้ว่าหลายหลครั้งทีเดียวอาจจะมีปัญหาบ้างอาจจะมีข้อขัดข้องขัดแย้งอะไรบ้างแต่ ถ้าหากว่าภรยาคนนั้นเป็นคนที่พยายามแก้ไขให้ตัวเองอยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าภรยาผู้นั้นก็จะดีและเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตของสามีสามีที่ได้ภรรยาที่ดีนะครับเป็นความโปรดปรานของพระเจ้าที่โปรดปรานท่านเพราะฉะนั้นสามีจะต้องดูแลภรรยาให้ดีนะครับ ภรรยาที่ดีนั้นเป็นอย่างไรก็จะมีคําอธิบายครับในสุภาษิตในพูดถึงคุณสมบัติของภรรยาที่ดีอีกประเด็นหนึ่งในวันนี้ประเด็นที่สก็คือโดยทั่วไปแล้วคนยากจนอยากจะได้อะไรก็ต้องขอต้องอ้อนวอนในทางกลับกันครับคนร่ํารวยคนมั่งมีนั้นเขามักจะใช้ถ้อยคำหุ้นห้วนอันนี้เป็นเรื่องธรรมดา ท, ทั่วไป แต่ว่าการใช้คาพุ่นหัวนั้นถ้าหากว่าออกมาจากท่าทีในใจที่แสดงถึงความดูถูกความย่อโสโอหังต่อคนที่ด้อยกว่าหากเป็นเช่นนั้นก็เป็นสิ่งที่ผิดครับการใช้ถ้อยคำพุ่นพวนหรือถ้อ ย, อยคําที่ดูถูกดูแคลนก็เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องในทางกลับกันครับเราก็ควรเตือนคนที่ยากจนที่จะต้องไปอ้อนวอน ขออะไรกับคนอื่นๆเขาว่าต้องสารวจตัวเองครับว่าตัวเองนั้นเป็นคนที่มีความเกียจค้าหรือเปล่าถึงได้ยากจนเป็นคนที่ไร้น้าใจเป็นคนที่ขี้เหนียวตะนีเป็นคนที่ดื้อดึงเป็นคนที่พูดมากคนเหล่านี้ครับพระกัมพีได้พูดชัดเจนครับว่าคนที่มีนิสัยแบบนี้ก็จะเป็นคนที่ยากจนแปลกนะครับ พระบรมเพีเตือนทั้งสองั้างครับคนที่ชอบดูถูกคนอื่นคนที่ชอบเกียดยามคนอื่นคนที่ชอบแสดงความยะโสต่อคนที่ด้อยกว่าก็เป็นสิ่งที่ผิดแต่คนที่ยากจนครับที่เกิดจากความเกียรติคานที่เกิดจากความไร้น้ำใจความตะหนีถี่เหนียวที่เกิดจากความดื้อดึงเกิดจากการพูดมากคนพวกนี้มีโอกาสที่จะยากจนแต่เขาต้องกลับใจครับ ถ้าหลุดจากของเหล่านี้ได้เขาก็ไม่ต้องไปขออะไรใครเขาจะไม่ยากจนอีกต่อไปสุดท้ายครับประเด็นสุดท้ายคอนเซปต์สุดท้ายในเช้าวันนี้ก็คือเรื่องของการเลือกคบเพื่อนถ้าใครก็ตามที่มีเพื่อนหลายๆคนแต่ไม่เลือกคบไม่เลือกคบหาสมาคมเขาจะเจอกับปัญหาเพราะชีวิตที่มีเพื่อนไม่แท้ หรือที่เราเรียกว่าเพื่อนกินมากเพิ่มพีนบอกว่าในที่สุดชีวิตของเขานั้นจะแตกเป็นเสี่ยงๆนะครับในภาษาเดิมเนี่ยใช้คําว่าแตกเป็นเสี่ยงๆเป็นคําที่น่าคิดมากครับคําที่มีความหมายว่าแตกเป็นเสี่ยงๆนะครับภาษาฮีบรูเรียกว่าราอะพี่น้องครับ เพื่อนสนิทคำฮิบรูอ่านว่าเรอพี่น้องครับเห็นไหมครับว่าเขาเล่นคำกันครับคาว่าเพื่อนสนิทคือเรอแต่ว่าแตกเป็นเสียงเสียงก็คือราพี่น้องครับไม่ฉลาดนะครับที่มีเพื่อนมากแต่เป็นเพื่อนกินจะดีกว่าไหมครับที่มีเพื่อนแท้แม้ว่าอาจจะเป็นเพียง คนเดียวก็ตามเพื่อนแท้และดีหายากครับเราต้องหาและเราต้องลงทุนลงแรงเสียบางสิ่งบางอย่างไปต้องจ่ายราคาครับถึงจะได้ใจเพื่อนและมีเพื่อนแท้เป็นการดีที่มีเพื่อนแท้แม้จะเป็นคนเดียวก็ตามเพราะฉะนั้นเรื่องของเพื่อนนั้นสำคัญที่คุณภาพไม่ใช่ปริมาณครับ แต่เรากลับมาดูนะครับพระเยซูคริสต์เป็นสหายที่ดีเลิศประเสริฐของเราและใครก็ตามที่มีเพื่อนบ้านแบบคนสมาเรียก็เพียงพอแล้วสําหรับเขาเพราะฉะนั้นหากว่าในชีวิตของเรามีพระเยซูเป็นสหายที่เลิศประเสริฐและเรามีชาวสมาเรียเป็นเพื่อนบ้านก็เพียงพอแล้วในชีวิตของเราอาเมน